บทที่เจสบ้านไผ่กองดินเมื่อภิกษุหนึ่งรูปกับคฤหัสหนุ่มสองคนลงไปนั่งในเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วในหล่อผู้ทาหน้าที่เป็นคนขับ และลูกชายเจ้าของเรือก็พานาวาน้อยแล่นล่องไปตามลําน้ําเจ้าพระยาบายหน้าไปทางบางซ้ายจากบางซ้ายก็ตรงไปบ้านแพนจุดหมายคือบ้านไผ่กองดินจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่ท่านสมพานจ้างวานมาหลวงพี่นั่งให้สบายนะครับไม่ต้องกลัวประเดี๋ยวผมจะพาเหาะไปจนถึงไผ่กองดินเลยเชียว คนขับร้องตะโกนมาจากท้ายเรือไปแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องหอกว่าแต่ว่าเองสามคนกินข้าวเช้ากันมาเรียบร้อยหรือยังถ้ายังจะได้แวะกินที่บางซ้ายพระหนุ่มถามอย่างอาธรท่านถือคติกองทัพเดินได้ด้วยท้องเรียบร้อยแล้วครับคนทั้งสามตอบเป็นเสียงเดียวกัน และหลวงพี่ล่ะครับฉันเช้าหรือยังนายเชี่ยวซึ่งนั่งถัดจากท่านถามขึ้นข้าก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันพอฉันเสร็จพวกเองก็มาตามพอดีและนี่จะถึงกี่โมงละ่ะท่านถามนายเชี่ยวจึงตะโกนถามนายหลอไอ้ลอหลวงพี่ท่านอยากรู้ว่าจะถึงกี่โมงถ้าไม่แวะเรียรายตามทาง ก็คงถึงก่อนเพงแต่ถ้าแวะข้าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันในชานน้องชายในเชี่ยวจึงเสนอว่า อ, าอย่างนี้ดีกว่าหลวงพี่เราตรงไปที่บ้านไผ่กองดินก่อนข้ากลับค่อยแวะเรียรายตามรายทางหลวงพี่จะได้ไปทันฉันเพงที่นั่นดีครับผมเห็นด้วยกับไอชานมันตกลงผมจะห่อไปเลยนะครับ นายหล่อยังยืนยันที่จะไปแบบหอะไปธรรมดาแบบหลวงพี่ว่าเธอะขินหอะข้ากลัวว่าจะตกลงมาตายเสีก่อนที่จะถึงนายชาญนึกหวาดเสียวจึงอ้างหลวงพี่พระเจริญจึงตัดสินว่าเร่งให้เร็วกว่านี้ก็ได้แต่อย่าให้ถึงกับหอะเลยคนที่เขาผ่านไปผ่านมาจะตำหนิติดเตียนเอาได้ นึกว่าเห็นแค่ผ้าเหลืองก็แล้วกันถ้าข้านุ่งห่มชุดคารวาสแบบพวกเองก็ไม่ขัดข้องเลยพระหนุ่มถ้อยทีถ้อยอาศัยตกลงครับหลวงพี่เขาเร่งเครื่องให้เรือแล่นเร็วขึ้นขับอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้นเกือบสิบโมงเช้า ในหล่อพาเรือหางยาวบรรทุกผู้โดยสารหนึ่งรูปกับสองคนมาถึงบ้านไผ่กองดินเขาลดความเร็วลงแล้วก็พูดขึ้นว่าหลวงพี่เราเริ่มเรียรายตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยไหมครับก็ดีเหมือนกันท่านหันมาบอกกับนายเชี่ยวและนายานว่าเองสองคนลงมือเรียรายได้เลยหลวงพี่นำสิครับ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 ในเชี่ยวออกตัวเขาเพิ่งอายุส8บปดเท่านั้นจะให้ทำหน้าที่ทายกเขาอายพวกสาวๆเหอหน้าก็ฝึกไว้ก่อนไงล่ะพอบวชจะได้ไม่รู้สึกเก้อเขินอย่างข้าเนี่ยไม่เคยฝึกปรือมาก่อนก็เลยทำไม่เป็นท่านหาทางออกให้ตัวเองหลวงพี่พูดเอาแต่ได้ โรเงเนี้ยผมไม่มาด้วยก็ดีหรอกนี่ถ้าไม่เห็นแกหลวงพ่อช่อบผมไม่มาเด็ดขาดในชาญช่วยพี่ชายเถียงข้าก็มาเพราะเห็นแกหลวงพ่อเหมือนกันถ้ารู้ว่าเองสองคนเป็นอย่างนี้ข้าก็ไม่มาให้เสียเวลาดูเอาเถอะข้าต้องนั่งสู้แดดสู้ลมมากับพวกเองร้อนหัวจะแตกอยู่แล้วพวกเองมีผม แล้วก็ยังมีผ้าเขาม้าโพกหัวส่วนข้าไม่มีสักอย่างแน่หลอ่อรู้สึกรำคาญที่คนกับพระมานั่งเถียงกันแต่ก็อดเข้าข้างพระไม่ได้หน้าและศีรษะของท่านออกแดงแดงเพราะกรำแดดนี่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะได้ฉันเพลหรือเปล่าความสงสารพระจึงพูดตัดบทว่า เอาละเอาละผมจะเป็นคนเรียวรายเองปู่ผมเคยเป็นทายกมาก่อนผมจะลองเดินตามรอยเท้าปู่สักครั้งว่าแล้วจึงนำเรือไปจอดหน้าตลาดลุกขึ้นยืนประกาศกล้องพ่อแม่พี่น้องชาวภัยก้องดินที่เคารพรักผมนายหลอลูกนายเหลาล้านชายนายหลอม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 หรือว่าคนเมืองสิงห์เขาไม่ทำบุญกันแล้วเสียงหนึ่งถามขึ้นในหล่ออึบอัดโดยไม่รู้จะตอบอย่างไรในเชี่ยวจึงช่วยตอบว่าคนเมืองสิงห์เขายังทำบุญกันอยู่ครับแต่หลวงพ่อชอบท่านเป็นคนที่นี่ท่านก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวไผ่กองดินซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับท่านได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล เกิดชาติหน้าจะได้เป็นญาติกันอีกท่านก็หมั่นทาบุญบริจาคทานชาตินี้ท่านก็จะร่ำรวยชาติหน้าจะได้เกิดในสวรรค์ไปเป็นญาติกับหลวงพ่อชอบบนสวรรค์โน้นเชิญครับท่านจะบริจาคเป็นเงินก็ได้เป็นข้อสารก็ดีหรือว่าจะทั้งเงินทั้งข้อสารก็ยิ่งได้บุญมากล้นขณะที่นายหล่อกับนายเชี่ยวประกาศเรียรายอยู่นั้น พระเจริญก็กำหนดจิตแผ่เมตตาโดยใช้คาถาของพระพุทธเจ้าที่โยมยายเคยสอนคือคาถาการณียเมตตสูตรปรากฏว่าผู้คนทยอยกันมาทำบุญมิได้ขาดกระทั่งได้เข้าสารครึ่งลำเรือส่วนเงินนั้นยังไม่มีเวลานับแต่ก็คงได้มากเหมือนกันเพราะมีผู้บริจาคคนละตั้งหนึ่งบาท ไปจนถึงสองตำลึงครั้นได้เวลาเพนสตรีวัยกลางคนก็เข้ามานิมนต์นิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมาชั้นเพนที่ร้านอีฉันก่อนเธอเจ้าค่ะอีฉันให้ลูกจ้างจัดเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้สำหรับอาตมาเท่านั้นหรือเจ้าค่ะก็พระคุณเจ้ามารูปเดียวนี้เจ้าค่ะแต่อาตมามีลูกศิษย์มาด้วยสามคน ท่านิมนต์อาตมารูปเดียวอาตมาคงฉันไม่ลงในเมื่อลูกศิษย์เขายังหิวอยู่ท่านตั้งใจว่าหากต้องอดก็จะอดด้วยกันการเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวท่านจะไม่ทำเป็นอันขาดแม้พระกุณเจ้าจะมีเมตตาเหลือเกินดูรืออุตส่าหเป็นห่วงลูกศิษย์ไม่ต้องห่วงรอกเจ้าข่า อาหารการกินของอิชันอุดมสมบูรณ์อิชันจะเลี้ยงพวกเขาให้อิ่มมีพรีมันไปเลยนิมนต์พระคุณเจ้าก่อน้าเจ้าค่ะประเดี๋ยวก็จะเลยเวลาพระเจริญจึงสั่งในหล่อผูกเรือไว้ให้ในเชี่ยวเป็นคนถือบาตใส่เงินแล้วจึงพากันขึ้นจากเรือสตรีผู้นั้นเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกง นางจัดอาหารไว้เสร็จสรรพทั้งต้มแกงและของหวานวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะสามีของนางเป็นคนประเคนแล้วนั่งคอยรับใช้ยอยู่ห่างๆฉันพัตหาเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรเจ้าภาพผู้ใจบุญแล้วพระเจริญก็นั่งคุยอยู่กับเจ้าของร้านเพื่อรอชายหนุ่มสามคนรับประทานอาหาร สามสินาทีให้หลังทุกคนก็เรียบร้อยและพร้อมที่จะเดินทางไหว้ลาเจ้าของร้านผู้อารีพร้อมคำขอบคุณแล้วจึงเดินตามภิกษุน่มไปลงเรือสามีเจ้าของร้านเดินไปส่งถึงเรือมือหนึ่งยิ้วข้าวสารถุงเขื่องตั้งใจจะทาบุญสร้างพระอุโบสถส่งถุงข้าวสารให้ในหล่อ และควักเงินออกจากกระเป๋าเสื้อนับได้สองตำลึงยกขึ้นจบและจึงใส่ลงไปในบาทขออนุโมทนาและขอขอบใจโยมที่ได้ช่วยกันจารโรงพระศาสนาขอให้เจริญสุขนโยมนะพระหนุ่มให้พรอีกครั้งบุรุษวัยกลางคนประนมมือนอบน้อมอย่างยินดี เ่อท้องอิ่มชายหนุ่มทั้งสามก็พร้อมที่จะทำงานพวกเขาปักหลักเรียรรายอยู่ที่เดิมสักครู่พอคนซาจึงแล่นเรือต่อไปผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำไม่ค่อยจะสนใจทำบุญกันในหล่อถึงกับบ่นอุบคนแถวนี้ทำไมไม่ชอบทำบุญนะหลวงพี่ผ่านมาตั้งหลายบ้าน เห็นเขามองดูเฉยๆสงสัยเขาจะเป็นมุสลิมดูการแต่งตัวสิพวกผู้ชายก็นุ่งสลงแล้วก็ใส่หมวกมุสลิมไม่ทาบุญหรอครับถามอย่างสงสัยเขาไม่ทาบุญกับศาสนาอื่นแต่ศาสนาของเขาก็มีทาบุญเหมือนกันเรียกว่าซะการจะเรียกว่าทาบุญก็คงไม่ถูกนะ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 ผู้ชายห้าหกคนยืนคุยกันอยู่ท่าทางเคร่งครึมพระเจริญสั่งคนขับเรือว่าเข้าไปจอดที่ศาลาท่าน้ำนั่นข้าจะขึ้นไปพักสักหน่อยบางทีคนบ้านนั้นก็อาจจะทาบุญด้วยก็ได้ในหล่อจึงนําเรือเทียบท่าในเชี่ยวอุ้มบาทเดินตามพระนมขึ้นบนศาลา ชายห้าหกคนกำลังคุยกันอยู่หันมามองคนหนึ่งถามขึ้นว่าท่านมาจากไหนอาตมามาจากวัดพรมบุรีท่านสมภารให้มาเรีย ร, ยรายเงินไปสร้างโบสถ์ท่านตอบคิดในใจว่าคงต้องมีคนทําบุญกับท่านบ้างแต่แล้วใจอ่อเมื่อบุรุษคนเดิมพูดขึ้นว่าท่านมาผิดที่เสแล้ว แถวนี้มีแต่มุสลิมทั้งนั้นไม่มีใครทําบุญกันรอกพวกผมก็เป็นมุสลิมพระหนุ่มรู้สึกผิดหวังจึงบอกลูกศิษย์ผู้ติดตามท่านสามว่าไปลงเรือได้มาผิดที่เสแล้วขอบใจนายโยมที่บอกท่านหันมาขอบใจชายผู้นั้นยังไม่ทันนายหล่อจะนำเรือออกจากท่า ชายผู้หนึ่งตะโกนลงมาจากเรือนหลังใหญ่ว่านี่พระที่อยู่ในเรือนน่ะไล่ผีเป็นไหมถ้าเป็นก็นิมนต์หน่อยพระหนุ่มจึงพูดกับลูกศิษย์ว่าเหมาะแล้วเราจะได้บอกบุญเรียวรายเข้าสารเรียวรายเงินไปสร้างโบสถ์กำลังหาพวกอยู่พอดีท่านคิดว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นชาวพุทธ หลวงพี่ไล่ผีได้หรือในหลอดถามได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองดูสักครั้งข้ามีคาถาเยอะเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมคงใช้ได้สักบทรอกนาเสียงคนข้างบนตะโกนย้ำลงมาอีกว่าว่ายังไงล่ะถ้าไล่ผีได้ก็ขึ้นมาเลยอย่ามัวชักช้าดูมันสั่งหลวงพี่แนะ่ในชานพูดฉุนฉุน พระเจริญไม่สนใจตอบคนบนเรือนไปว่านี่แหละหมอผีอาตมาจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ท่านขึ้นจากเรือมายืนบนศาลาท่าน้ำเตรียมจะขึ้นบนเรือนจะไหวหรอท่านระวังผีมันจะหักคอเอานาคนที่ยืนคุยกันอยู่ที่ศาลาท่าน้ำทักทวงผีตัวนี้มันดุมากหรือ พระนมถามเสียงสันจนท่านเองก็รู้สึกดุหรือไม่ดุมันก็ด่าหมอผีกระจุยมาแล้วมันเป็นผีแขกนะท่านไม่ใช่ผีธรรมดาไอหมอผีที่มาปราบมันโดนด่าทั้งนั้นผู้ชายอีกคนตอบคนฟังที่เป็นพระรู้สึกใจฝ่อมากขึ้นจึงซักว่าแล้วหมอเขาว่าคาถายังไง ท่านต้องการรู้เพื่อหาทางหนีทีไล่โอ้ยไม่ว่าจะว่ายังไงไอ้ผีมันก็ว่าได้หมดหมอว่านา้าโมผีก็ว่านา้โมว่าอิติปิโสมันก็ว่าอิติปิโสชายคนเดิมตอบถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่ผีแขกกระมังอาจเป็นผีพระมาเข้าก็ได้เคยมีหน้าหลวงพี่ เพื่อนผมถูกผีพระเข้าแม้มันสวดมนต์คืนยังรุ่งเลยพอผีออกนโมมันยังว่าไม่ได้เพราะไม่เคยสวดในหล่อเล่าประสบการณ์ของตนเมื่อสองปีก่อนเอเนี่เราจะเอาคาถาบทไหนดีจะเอาบทไหนถึงจะปราบเจ้าผีตัวนี้ได้พระหนุ่มรุ่นคิด ความกล้าเปลี่ยนมาเป็นความกลัวท่านอย่าเสี่ยงเลยผมว่าท่านกลับไปเถอะดีไม่ดีมันจะหักคอเอานะบุรุษนั้นเตือนพระหนุ่มถึงกับขนลุกใครบ้างจะไม่กลัวตายถึงจะเป็นพระก็ยังกลัวตายเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ครั้นจะหันหลังเดินกลับก็เสียเชิงชายท่านตกที่นั่งลําบากเสียแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือต้องขอความคุ้มครองจากลูกศิษย์สามคนคิดได้ดังนี้จึงกระซิบกับนายเชี่ยวในชานและนายหล่อว่านี่ถ้าข้าถูกผีเล่นงานพวกเอ็งต้องช่วยนะมีดหมอข้าก็ไม่มีไม่เป็นไรหลวงพี่ไม่ต้องกลัวพวกผมจะช่วยแน่นายหล่อพูดอย่างไม่สะทกสะท้านนายเชี่ยวพูดเสริมว่า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 พากนหลีกทางให้คนที่นิมนต์พาท่านเข้าไปนั่งข้างในผู้คนแน่นขนาดไปหมดพระหนุ่มรู้สึกใจเต้นตุ๊บๆหาก็ปลอบใจตัวเองว่าถ้าปราบผีสำเร็จก็จะได้เงินกลับเข้าสารไปสร้างโบสถ์เมื่อกี้ในชานั่งนับเงินมาตามทางได้ถึงร้อยช่างถ้าได้อีกสักร้อยช่างก็คงจะดี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 นั่งหน้าหมดหน้าบึ้งชี้หน้าด่าคนที่ว่าสักเคพระเจริญคิดว่าคนด่าคือหมอผีส่วนคนว่าสักเคคือผีไอหมอบ้ากูไม่กลัวมึงหรอกมึงว่าสักเคกูก็ว่าได้คนหนุ่มกว่าชี้หน้าคนอายุประมาณห้าสิบพระเจริญสงสัยว่าคนไหนเป็นผี คนไหนเป็นหมอผีกันแน่ทางที่ดีคือต้องโดูต่อไปแล้วมึงจะเอาคาถาไหนละ่ะไอ้ผีบ้ากู ว, ว่ามาตั้งหลายคาถามึงก็ว่าได้นี่กูหมดความสามารถแล้วนะ คนอายุมากกว่าพูดกรดโกรธพระเจรินึกในใจว่าเอเอผีก็มีคาถาด้วยสงสัยคงเป็นผีเลี้ยงคนเลี้ยงคงสอนคาถาให้มันไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้คนถูกด่าวหัวราะก้องนั่งไข่ห้างกระเดกเท้าใส่คนด่าถึงตอนนี้พระหนุ่มรู้แล้วว่าคนไหนเป็นผีคนไหนเป็นหมอผี ถ้ามึงจะให้กูกลัวต้องใช้คาถาเมตตาของพระพุทธเจ้าว้ยคาถาบา้าบาพวกนี้กูไม่กลัวหรอกต่อให้มึงว่าอีกร้อยคาถากูก็ไม่กลัวหมอผีถึงกับเกาหัวยิกจิกถามว่าคาถาพระพุทธเจ้าบทไหนอีกละ่ะอิติปิโสก็คาถาพระพุทธเจ้าทำไมมึงไม่กลัวไอหมองโง่ ก็คาถาพระพุทธเจ้าให้พระไปแผ่เมตตาให้ผียังไงล่ะไม่มีอะไรดีเท่าเมตตาผีตอบอ๋อคงจะเป็นกรณียาเมตสูตรนั่นเองโยมยายเคยสอนเราไว้ถ้าว่าคาถาบทนี้ได้ผีก็รักม้าก็รักเราเคยพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วพระหนุ่มคิดแล้วก็ท่องคาถา กรณียเมตสูตรในใจเมื่อจบหนึ่งเที่ยวก็บริกรรมเฉพาะหัวใจของคาถาบทนี้คือเมตตันตะสัพพโลกัสมิงมานาสัมภเวอประริมานังท่องอยู่เก้าจบเจ้าผีก็หันควับมาทางท่านลุกขึ้นไปหยิบเสื่อมาปูเอาผ้าขามา้าพาดจวิบา แล้วก้มลงกราบเบญจังขประดิษฐ์สามครั้งแล้วก็พูดว่านิมนพระคุณเจ้าเจ้าค่ะผู้คนมามุงกันแน่นขนาดพากันแปลกใจในอากับกิริยาของผีต่างมองหน้ากันเลิ ก, ลกเจ้าหมอผีได้ทีจึงชี้หน้าพระเจริญท่ามกลางความฉงนสนเท ข, ของคนที่รุมล้อมนั่นไง่าย เจ้าของผีมาแล้วไอ้พระองค์นี้แหละเจ้าของผีที่เอาผีมาเข้าไอ้ศพพระเจริญเองก็งุนงงต่อคำกล่าวหายังไม่ทันจะพูดอะไรออกมาในหลอกก็ฮึดฮัดขึ้นชี้หน้าหมอผีมึงอย่ามาพูดช่วยๆแบบนี้นะเห็นหลวงพี่กูเป็นเจ้าของผีไปซะแล้วเสียท่าหมดหลวงพี่เรากลับกันเถอะ เขาหันไปบอกพระเจริญหมอผีไม่ยอมแพ้พูดด้วยเสียงดังก้องว่านี่พระองค์นี้มาจากไหนต้ององค์นี้แน่ที่เอาผีมาเข้าไม่งั้นผีมันจะยอมสยบหรือนายหล่อเป็นคนเลือดร้อนเขาปรราดเขาใส่หมอผีมือหนึ่งคว้าคอเสื้อ อีกมือหนึ่งกำรรแน่นจ่อไปที่ใบหน้าหมอผีถ้ามึงใส่ร้ายหลวงพี่กูอีกคำเดียวกูจะชกจมูกมึงหักเจ้าหมอผีถึงกับตาค้างพูดไม่ออกอยากเรียกให้คนช่วยแต่ก็กลกวกำปั้นที่จ่ออยู่ปลายจมูกถึงอย่างไรเขาก็ต้องเสียเปรียบเพราะเจ้าหมอนี่ดูล่ำสารกว่าและก็นุมกว่าทางที่ดีคือนิ่งเขาไว ในหล่อเห็นดังนั้นจึงประกาศซิเองว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักผมชื่อในหลอ่อลูกชายในเหลาหลานชายในหลอมผมมาจากวัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อจะมาเรียวรายเงินเป็นข้าสารไปสร้างโบสถ์ท่านสมภานชอบท่านเป็นคนพื้นบ้านนี้ท่านใช้ให้ผมมากับหลงพี่เจริญ และลูกศิษย์ผมสาบานว่าหลวงพี่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของผีอย่างที่ไอหมอบ้ามันปรักปรมไม่เชื่อถ้าลองถามผีดูก็ได้เขาโยนกลองไปที่ผีจริงครับผียอมรับแต่โดยดีแล้วก็อธิบายต่อว่าผมกับพระคุณเจ้ารูปนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไอ้หมอผีมันไม่มีปัญญาปราบผมมันจึงใส่ร้ายป้ายสีพระคุณเจ้าพ่อแม่พี่น้องโปรดอย่าไปฟังมันขอให้เชื่อผมถึงผมจะเป็นผีแต่ก็มีสัจจะผมไม่โกหกเหมือนกับไอ้หมอผีผู้นี้หรอกผีชี้หน้าคนเป็นหมอผีนายหล่อเห็นหมอผีสิน้นฤทธิ์จึงปล่อยมือ ที่จับคอเสื้อแต่ข้างที่กำหมัดอยู่เขายังไม่ยอมคลายเพราะจะต้องการขู่ให้ฝ่ายนั้นกลัวจำไว้นะถ้ามึงแผลงฤิ์เอกจะต้องโดนหมัดกูแน่หมอผีหน้าจ๋อยลงไปถนัดได้แต่นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะในหล่อยังคุมเชิงอยู่แม้จะไม่ได้เอากำปั้นจ่อที่ปลายจมูกเขาแล้ว เรื่องมันไปยังไงมายังไงกันไหนโยมช่วยเล่าให้ตามาฟังหน่อยสิพร ะ, จะเจริญพูดกับผีได้ครับพระคุณเจ้าผมจะเล่าให้ฟังหมดเปลือกเลยทีเดียวคนเป็นผีประนมมือขณะที่พูด